เพื่อนๆต่างพากัน ง, งุนงงเรียกว่างงเป็นไก่ตาแตกไปเลยจากนั้นพรานสุขก็จัดแจงถอดรองเท้าของตนเองออกแล้วก็ค่อยๆเดินย่องแบบย่องเบาเข้าไปหาเป้าหมายไก่ป่าซึ่งไก่ป่าตัวแรกที่พรานสุขกําลังย่องกันไปหานั้นกำลังยืนคุ้ยเขี่ยหากินตามพื้นดินใต้โคนต้นไม้ใหญ่พอประมาณพานสุขค่อยๆ ย, ย, ย่องเข้าไปย่องเข้าไปหาเป้าหมายตัวแรกโดยเข้าทางด้านหลังโคนต้นไม้นั้นพอได้ระยะพอที่จะเอื้อมมือถึง พรสุขก็อาศัยจังหวะและความปราบเปรียวของตนเองตวัดมือขวาอ้อมคนต้นไม้อย่างรวดเร็วจับหมับเข้าตรงที่หัวคลุมถึงช่วงปากของเจ้าไก่ป่าตัวนั้นเพื่อไม่ให้มันร้องพร้อมกับตามด้วยมือซ้ายตวัดจับขาของไก่ป่ารวบเข้าหากันทั้งสองข้างเพื่อป้องกันการดิดดิน้นหมับไก่ป่าแนบนิ่งสนิทก่อนค่อยๆนําไก่ป่าล่าถอยออกมาพร้อมพยักหน้าเรียกเพื่อนพรานอีก2คนให้มาช่วยกันจัดการกับเจ้าไก่ป่าตัวนั้นพรนสุข ล่าไก่ป่าด้วยมือเปล่าแบบย่องเบาแล้วก็จับเหมือนไก่ป่าตัวแรกจนกระทั่งถึงยามสายแล้วจึงพากันกลับหมู่บ้านรวมเช้าวันนั้นแล้วพันสุขจับไก่ป่าด้วยมือเปล่าได้เจ็ดตัวส่วนเพื่อนพานก็ยังพากันสงสัยอยู่อดถามพานสุขไม่ได้ว่าทำไมในเมื่อเราก็มีปืนแก๊ปทำไมถึงไม่ยิงไก่ป่าพานสุขพยักหน้าพร้อมกับบอกว่าก็ข้าเห็นมันมีหลายตัวหากพวกเรายิงอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้าง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 ที่พอจะช่วยให้มองเห็นอะไรได้บ้างเสียงสัตว์ป่าบางอย่างใช้เล็บตะกุยเปลือกไม้ดังแกรกๆพุ่มไม้สั่นไหววอบวอจากการกระโดดของสัตว์ป่าที่กระจนออกจากพุ่มหนึ่งไปสู่อีกพุ่มหนึ่งเสียงจิ้งดีและเสียงแมลงป่าร้องดังงมไพรเซงแซ่เต็มไปทั่วป่าก่อนพลันสุกหมาในจะเอ็นกายนอนใต้โคนไม้ใหญ่ที่แกได้ปัดกวาดเตรียมไว้ก่อนหน้า น, นั้นแล้ว เวลาขึ้นคล้อยไปเท่าไรนานเท่าไรพลานสุขม้าในไม่อาจร่วงรู้ได้รู้แต่เพียงว่าถ้าหากแสงอาทิตย์ส่องแสงทอขอบฟ้ายามเช้าตรู่เสียงสัตว์ป่าออกหากินยามเช้าหรือยามไก่โหดแล้วเมื่อ น, นั้นก็ถึงเวลาที่พลานสุขม้าในต้องขยับกายพยุงตัวเองลุกขึ้นท่ามคืนท่ามกลางหมู่ดาวน้อยใหญ่ในคืนนี้พรานสุขม้าในหลับไปด้วยความอ่อนเพลียแต่ลึกๆสติยังคงแฝงไวในยามหลับเยี่ยงนี้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 พรานสุกเล่าต่อไปว่าผีป่านางไม้เคลื่อนที่โดยการโผไปโผมาจากกิ่งหนึ่งลอยไปยังอีกกิ่งหนึ่งมันพยายามลอยต่ําลงมาลักษณะเหมือนกับพยายามที่จะโผเข้ามาหาตัวพรานสุกให้ได้จังหวะที่ผีนางไม้ลอยไปมาอยู่นั้นพลานสุกสังเกตเห็นว่าผมของผีนางไม้นั้นยาวสลวยเหยียดตรงชี้ขึ้นด้านบนตามจังหวะของการโผเพื่อลงมาหากิ่งไม้ด้านล่างสุดหมายจะเข้ามาหาตัวของพราน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 สายตาที่มีความเครียดแค้นแล้วก็พยายามโผตัวลงมาอีกครั้งแต่ก็ต้องพงะโผตัวล อ, อยขึ้นไปอีกพร้อมกับส่งเสียงกรีดร้องหวยหัว ย, ยินยะเยือกเช่นเดิมเหมือนผีนางไม้จะรู้ตัวว่าตนเองไม่สามารถจะทํำไรพ่านป่าได้เลยมันจึงกรีดร้องเสียงแหลมหวยหวนสนันป่าพร้อมกับลอยหายวับไปกับความมืดเป็นจังหวะที่พลานสุกม้าในขยับเนื้อขยับตัวได้พอดีเรีกสติของตนเองกลับคืนมาได้ครบ แต่เนื้อตัวยังสั่นอยู่มือขวาควา้วาหมับจับอาวุธประจำกายคือปืนแกป๊ปแต่ก็ได้ซึ่งวิวแววของผีนางไม้ที่มาเขย่าวขวัญประสาทของตนเมื่อสักครู่นี้เงียบป่าเงียบเป็นปกติยอดไม้สั่นไหวจิงดีดพากันน้องดังงมเสียงลมพัดทะใบไม้ดังบวิวหวิวเป็นปกติของป่า ย, ยามนี้ลุงสุขบอกผมว่าผีป่านางไม้มันจะเอาเราทาหัวแน่ ตามคำเล่าลือของผานป่าหรือคนตัดไม้ที่เราสืบต่อกันมาผมจึงอดถามลุงสุกม้าในไม่ได้ว่าลุงมีพระอะไรดีหนะครับผีป่านางไม้จึงไม่สามารถทําอะไรได้แก่สายหน้าปฏิเสธผมจึงป้อนคําถามต่อเนื่องอีกว่าอา้าวแล้วลุงมีคาถาหรือเศกคาถาป้องกันตัวหรื อ, อยังไงแกก็สายหน้าปฏิเสธอีกผมได้แต่ทาหน้างุนงงและก็นึกในใจว่าแ ล, ล้วผานสุกแกมีอะไรดีผีนางไม้จึงได้กลัวขนาดนั้น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 แกเอ็นกายพิงโคนไม่หยาสักพัตเอาแรงสัหน่อยก่อนจะเตรียมของพร้อมออกล่าสัตว์ต่อเดินลึกเข้าไปในป่าดิบลัดเลาะตามลำห้วยเล็กๆก่อนจะมาโผลที่ป่าดิบดูอึมครึมเพราะแสงแดดไม่สามารถส่องทะลุลงมาที่พื้นดินได้ไม่ต่างอะไรกับบรรยากาศยามเย็นใกล้ค่ำเป็นป่าทึบที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และต้นมะม่วงป่าพรันสายตาก็เหลือไปเห็นเก้งตัวน้อยใหญ่ฝูงหนึ่งประมาณ6กถึงเตัว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 มะม่วงนั้นมันลอยละลิ้วมาตกดังตุบตุบตุบ ต, บ ต, บตุบไม่รู้ว่ามันลอยมาจากตรงไหนหล่นใกล้ๆกับฝูงเก้งฝูงไก่ฟ้าที่กําลังหากินอยู่จนพากันเตลิดหนีหายเข้าป่าไปหมดเลยมะม่วงป่าลอยมาหลายทิศเหมือนมีใครเจตนาคว้างไล่ฝูงสัตว์ทําเอาฝูงสัตว์ตกใจเตลิดหนีตัวไกาเองก็ตกใจด้วยพลางลุกยืนสอดสายตามองหาคนขว้างมะม่วงป่าไม่มีคนไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลย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 และมีสิ่งหนึ่งที่พลานสุกใช้เป็นเครื่องรางพกติดตัวเข้าป่าโดยเก็บไว้ในซองของยาสูบของแก่นั่นก็คือเหรียญบาทพยาครุตเป็นเหรียญที่แกพกเข้าป่าอยู่เป็นประจำผมจึงได้ขออนุญาต ด, ดูการเข้าป่าและพักคืนในป่านั้นพลานสุกบอกว่าเต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับตามคําเล่าขานของพลานป่าและคนตัดไม้จากปากต่อปากของพลานป่าและคนตัดไม้เล่าขานสืบต่อกันมา ว, ว่าหากจะนอนในป่า